วันนี้เป็นวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรม วันปฏิบัติธรรมและเป็นวันลอยกระทงเป็นวันที่มีการกระทาพิเศษคือมีการจัดงานลอยกระทงตามความเชื่อที่ว่าถ้าได้ลอยกระทงแล้ว กระทงนี้ก็จะเอาความทุกข์ต่างๆออกจากชีวิตของเราไปทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆแต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อความจริงแล้วการลอยกระทงนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาความทุกข์ต่างๆ ออกไปจากชีวิตของเราได้เพราะเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกนั้นไม่ใช่ตัวกระทงไม่ใช่ดอกไม้ทุกเทียนที่ใส่ไว้ในกระทงแต่ที่ทำให้ใจของเราทุ ก, กันนั้นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาต่างหากที่เราจะต้อง ลอยกันแทนที่จะลอยกระทงเราต้องมาลอยกิเลสถ้าเราสามารถเอากิเลสใส่ในกระทงแล้วปล่อยให้มันไหลไปกับกระแสน้าได้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ความปรารถนาความเชื่อของเราเป็นจริง ในการลอยกระทงก็ขอให้เรามาลอยกิเลสกันเอากิเลสใส่เข้าไปในกระทงเอาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆใส่เข้าไปในกระทงแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ำกระทงนี้ต้องเป็นกระทงพิเศษ กระทงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมา mm. กระทงที่จะพาให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปที่จะทําทให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้หมดสิ้นไปเราก็ต้องลอยกระทงที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สร้างขึ้นมาแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรามาสร้างกระทงแบบนี้กันกระทงที่จะพาให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆและความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนี้ให้ออกไปจากชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือการปฏิบัติ ทานศีลภาวนานี่เองถ้าเราได้ปฏิบัติทานศีลภาวนานี้<ม>ก็ถือว่าเราได้ลอยกิเลสกัน<ม>ได้จกกับกิเลสใส่เข้าไปในทานในศีลในภาวนา<ม>แล้วทานศีลภาวนาก็จะพาให้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั้นไหลออกไปจากจิตใจของพวกเรา นี่นะคือวิธีลอยกระทงที่ถูกต้องที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หมดสิ้นไป <c oughs> คือลอยกิเลส ด, ด้วยกระทงของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เอง <c oughs> การปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนว่าการปฏิบัติทานนี้ทำอย่างไรการรักษาศีลรักษาอย่างไรการภาวนาต้องภาวนาอย่างไรถึงจะทำให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราไม่ศึกษา เราก็จะทาไม่ถูกกันเมื่อทาไม่ถูกคือไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือกา ร, รการกระทำที่ถูกที่ดีถ้าได้ทำดีทาถูกต้องแล้วตามที่พทธเจ้าได้ทรงสอนแล้วเราก็จะสามารถ เอากิเลสตัณหาโมห oh ะอวิชชาและความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสนั้นให้ออกไปจา ก, กจิตใจของพวกเราได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องศึกษากันก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาคำว่าทานนี้ก็แปลว่าการให้ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้ ให้ใครหรือไม่ให้ใครคือคำว่าทานนี้แปลว่าการให้ไม่เกี่ยวกับผู้รับผู้รับจะเป็นครลาวาสญาญโยงหรือเป็นพระภิกษุหรือผู้รับเป็นองค์กรต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดต่างๆเหล่านี้เป็นผู้รับ การให้สามารถให้กับบุคคลหรือองค์กรต่างๆเหล่านี้ได้เป็นการทำทานเหมือนกันทำทานกับพระก็เป็นการทำทานทำทานกับญาดิโยมผู้คลองเรือนก็เป็นการทำทานทำทานกับองค์กรการกุศลต่างๆก็เป็นการทำทาน ทำทานให้กับสัตว์เดรัจฉานก็เป็นการทำทานเหมือนกัน mm hmm. ออกคำว่าทานนี้แปลว่าให้ mm hmm. เวลาเราให้อะไรไปให้สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ด้วยอย่าไปให้สิ่งที่มีโทษถ mm hmm. ้าให้สิ่งที่มีโทษสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้รับอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการให้ไม่ไม่เรียกว่าเป็นการให้ เป็นการทำบาปการทำทานนี้ต้องเป็นการให้สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้รับแล้วเมื่อได้ทำทานแล้วเมืม่อให้เมื่อได้มีการทำทานเมื่อมีการให้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจก็คือความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหละเรียกว่าผลของการให้ของการทำทาน คือความสุขใจอิ่มใจที่เราใช้คำว่าบุญนี่เองอบุญนี่แหละคือผลที่เกิดจากเหตุคือการให้คือการทำทานเมื่อทำทานแล้วใจเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจเกิดบุญขึ้นมาทันทีและบุญที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้ก็จะ สะสมอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆก่อนเรายังจะไม่ได้ใช้บุญเหล่านี้อย่างเต็มที่เราจะใช้ต่อเมื่อเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วแล้วเราเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายตอนนั้นนะเราก็จะอาศัยบุญซึ่งจะเป็นเหมือนกับปัจจัยสีที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเรามีร่างกายเราขาดอะไรเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหามาให้กับเราได้แต่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วใจของเราก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราทํานี้ที่เป็นเหมือน เป็นปัจจัยสี่ของดวงวิญญาณของเราต่อไปถ้าเราได้ทำบุญบุญก็จะพาให้เราเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขความอิ่มใจสุขใจดวงวิญญาณที่มีความสุขนี้เราเรียกว่าเทพเทวดาอินพรหมพระอริยบุคคลบุคคลเหล่านี้มีความสุขใจอิ่มใจ ตามกำลังของบุญที่ได้ทำกันได้สร้างกันซึ่งมีสามระดับอย่างที่เราได้พูดไว้ในเบื้องต้น mm. ก็คือระดับทานระดับศีลระดับภาวนา mm. การกระทำทั้งสามแบบนี้เป็นการสร้างความสุขใจอิ่มใจไปพร้อมๆกับการดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ mm. เราต้องเบื้องต้นนี้สิ่งที่เราทํากันก่อนคือทานเพราะว่าทานนี้เป็นการกระทําที่ง่ายที่สุดง่ายกว่าการรักษาศีง่ายกว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนาดัางนในเบื้องต้นเราควรทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนที่ง่ายเรามีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้เรา ให้คนอื่นไปเท่านั้นเองเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราก็ยังมีกินมีใช้อยู่ตามปกติเพราะส่วนที่เกิด น, นี้มันเป็นอาจจะเป็นผลของการทาทางานทําการของเราเราอาจจะมีความขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดอามารถทำให้เราหาทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองมาได้มากกว่าที่เราจะต้องมี ที่เราจะต้องใช้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นของที่เสียหายแต่อย่างใดการที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆที่เกิดจากการทํามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตนี่นนก็เรียกว่าเป็นผลของการทําความดีของเรานนความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตความมีสติปัญญาความรู้ความฉลาด มันก็จะสามารถทำให้เรานี้มีทรัพย์สินมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองได้<ม>แต่การมีทรัพย์สินที่มากมายก่ายกองที่เราไม่ได้ใช้เอง<ม>เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้<ม>ทรัพย์สินส่วนนี้นหละที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราเอามาทำบุญทำทานกัน ทำทานเอามาทำทานกันทำทานแล้วก็ได้บุญแต่เรามักจะพูดจนเคยชินชินปากว่าทำบุญทำทานก็ทำเหตุและผลนั่นเองเหตุก็คือการทำทานการให้ผลก็คือความสุขใจอิ่มใจเป็นบุญทรัพย์สินที่เรามีไว้ในขณะนี้ที่เราไม่ได้ใช้ตายไปแล้วก็อไปไม่ได้นี่ เราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่เราเอาไปได้คือเอามาเปลี่ยนเป็นบุญนี่เหมือนกับถ้าเราต้องเดินทางไปต่างประเทศเช่นไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น เ, เงินไทยที่เรามีอยู่นี่ถ้าเราเอาติดตัวไปมันก็จะใช้ไม่สะดวก เ, เราก็มักจะเปลี่ยนเงินไทยให้ใหกลายเป็นเงินของญี่ปุ่นไป พอเมื่อเรามีเงินญี่ปุ่นอยู่ในประเทศของญี่ปุ่นนี้เราก็สามารถใช้เงินของญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องคอยไปหาที่แลกเปลี่ยนเงินทองอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่เหลือกินเหลือใช้นี่ถ้าเราเอาไปทำบุญนี่เอาไปทำทานเอาไปเปลี่ยนเป็นบุญเราก็จะได้มีบุญติดตัวกับเราไป เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วพ อ, อร่างกายตายไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราหาได้ผ่านทางร่างกายนี้เราไม่สามารถเอาไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สิ่งที่เราจะเอาไปได้หมดเลยก็คือบุญนี้บุญที่เราเกิดจากการทำทานนี้อเอาไปได้หมดเลย อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาทำกันในเบื้องต้นก่อนเพราะชีวิตของเรานี้ยังต้องไปต่อแล้วชีวิตของเราต้องการมีความสุขความสุขใจนี้เกิดจากการมีบุญ<ม>เกิดจากการได้ทำทาน<ม>ได้ทำไปทคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังค ม, ม, มนี่คือเรื่องของ ทำบุญทำทานให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะปกติมักจะแยกกันว่าเวลาให้กับผู้คองเรือนเราก็เรียกว่าทำทานเวลาให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าทางให้กับวัดกับวาเราก็เรียกว่าทำบุญแต่ความจริงเป็นการทำทานด้วยกันทั้งคู่และผลที่ได้ก็คือบุญเหมือนกัน เรามีเงินพันบาทเราทําบุญกับเราทําบุญกับวดัดกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ได้บุญหนึ่งพันบาทเราเอาเงินหนึ่งพันบาทไปปล่อยนกปล่อยปลาไปเลี้ยงสุนัขจอนจัดหรือไปช่วยเหลือคนยากคนจนอันนี้ก็ได้บุญเท่ากันไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันว่าทํากับพระแล้วจะได้บุญมากกว่าทํากับ สัตเดลฉานหรือทำกับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระ<ม>บุญที่เกิดจากอาการให้นี้เท่ากันแต่มันมีบุญอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไปทำบุญกับบุคคลต่างๆ<ม>ก็คือทบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมได้ธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้อาจจะมีต่างกัน เพราะธรรมะของผู้ที่เราไปทำบุญด้วยนี่ก็อาจจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีเลยถ้าเราไปทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้านีนอกจากได้บุญจากการให้แล้วเรายังได้บุญอี ก, อ, กอีกอย่างหนึง่งคือได้ธรรมะเป็นธรรมะนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ และดับความทุกข์ของใจเราได้ด้วยงั้น mm. ถ้าเราอยากจะได้บุญอีกชนิดหนึ่ง mm. นอกจากบุญที่เกิดจากการให้คือการทาทานแล้วอย่างนี้เราต้องเลือกบุคคลที่เราไปทำบุญด้วย mm. ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะมากๆเราก็ต้องไปทำบุญกับผู้ที่มีธรรมะมากๆนั่นเอง ผู้ที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพาอาระอรหันตสาวกทั้งหลายรองลงมาก็คือพระอริยบุคคลขั้นขั้นรองลงมาคือพระสกิฎ า, า, า, า, าคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันบุคคลเหล่านี้ท่านมีธรรมะมากน้อยต่างกันไป เมือกับผู้ที่ได้ศึกษาระดับปริญญาต่างๆมีระดับปริญญาตรีร ะ, ระดับปริญญาโท ร, ระดับปริญญาเอกความรู้ของผู้ที่ได้รับปริญญาในระดับต่างๆก็มีมากน้อยต่างกันธรรมะของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุก็มีความมากน้อยต่างกันถ้าเราอยากจะได้ธรรมะ มากมากถ้าเรารู้ว่ายังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 2> เราก็มุ่งไปหาพระพุทธเจ้ากัน <Yeah. S 2> ไปทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าเอาผ้าตาไปถวายไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุติสร้างอะไรให้กับพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> แล้วพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมให้เราฟังธรรมของพระเจ้านี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์เหมือนทองคำที่บริสุทธิ <Yeah. S 2> ์ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ใช่เก้าสิบเ้าจุด้าเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ร้อยเอร์เซนไม่มีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคำสอนที่สามารถทำให้ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำนี่พอเพียงได้ยินได้ฟังทมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เลย อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราทำทานก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์รักษาศีลภาวนาก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่การทาทานอย่างเดียวนี้มันยังไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดได้เพียงส่วนหนึ่งรักษาศีลก็จะทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อีกส่วนหนึ่ง ภาวนายัางจะยังจะสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเต็มร้อยและขั้นภาวนาที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากเต็มร้อยก็คือขั้นวิปัสสนาภาวนาและการที่เราจะบรรลุขั้นวิปัสสนาภาวนาได้เราก็ต้องมีคนสอนเราคนที่มีธรรมะมาสอนเราเท่นั้น อันนี้ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการเวลาที่เราทำบุญทำทาน <S <S เราจึงมักจะมีคนพูดอยู่สองแบบด้วยกันทำบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันอันนี้ก็ถูกไม่ทำบุญกับคนที่มีมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีธรรมะเยอะๆก็จะได้บุญต่างกันอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันแต่เป็นบุญคนละอ ย, ย่างกัน บนญที่เกิดจากการให้นี้เหมือนกันให้ใครก็ได้ถ้าเงินเท่ากันถ้าเงินพันบาทนี่ใส่ตู้บริจาคของวัดไปหรือไปให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนหรือไปให้สถานสงเคราะห์คนยากจนต่างๆเงินเหล่านี้ก็จะทาให้เกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันหมดทาให้จิตใจเราสุขให้เรามีความสบายใจขึ้นมา แต่ถ้าบุญที่เกิดจากการบรรลุธรรมนี้มีดวงตาเห็นธรรมนี้ต้องได้จากคนที่มีธรรมะมาสอนเราเช่นไปฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าหลังจากฟังเสร็จก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระสกิทาคามีขึ้นมาเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนันต์ขึ้นมาบุญอันนี้บุญชนิดนี้ต้องต้องเลือกคน เราต้องไปฟังธรรมจากคนที่มีธรรมะมากมีความรู้ความฉลาดมากที่สามารถที่จะเอาธรรมะที่เหมาะกับเรามาให้เราฟังกันพอเราได้ธรรมะที่เหมาะกับใจเราเราก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายลองลงมาจากผู้เจ้าก็คือพระอาหารหันตสาวกลองลงมาก็พระอน า, าคามีพระสกิฎาคามีพระโสดาบัน บุคคลเหล่านี้เราเป็นบุคคลที่เราควรที่จะเลือกทําบุญด้วยถ้าเรามีโอกาสถ้าเรารู้ว่าท่านเป็นพระในระดับไหนและเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะได้ธรรมะจากท่านเวลาเราทําบุญเราก็ต้องไปทำบุญกับพระเหล่านี้เอาข้าวของใบถวายท่านใส่บาตรให้ท่านทำนุบํารนงให้ท่านอยู่อยู่ได้เพราะถึงแม้จะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอริยบุคคล ร่างกายก็เป็นเหมือนของคนธรรมดานี่ร่างกายก็ต้องมีปัจจัยสี่เหมือนกันต้องมีอาหารมี่ที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มเราก็เอาพวกของปัจจัยเหล่านี้ของใช้เหล่านี้ไปถวายกับพระแต่ถ้าเราเพียงแต่เอาไปถวายแล้วเรากลับบ้านมไม่รอฟังเทศฟังธรรมไม่รอสนทนาธรรมถามตอบคาถา ม, ถา ม, ถ, ามถามข้อ ตอบข้อความสงสยัยลังเลต่างๆที่เรามีในใจถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมจากท่านไม่ได้สนทนาธรรมกับท่านเราก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังกันเราไม่ได้ฟังเต็มเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรากลับบ้านที่เราต้องรีบไปทํางานกันตส่บาตถวายของให้กับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ขอลากลับไปเลยถ้าอย่างนี้ก็ได้ได้เพียงแต่ บุญที่เกิดจากการให้เท่านั้นแต่บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธทมจะไม่เกิดจะต้องรอเพราะเวลาไปทําบุญที่วัดเขาก็มีขั้นตอนขั้นตอนแรกที่วัดนี้ก็มีการทําำสาบาตรก่อนสาบาตรถวายอาหารข้าวหวานเสร็จแล้วก็ถวายสังฆทานให้กับสงฆ์ให้กับวัดพอเสร็จแล้วนี่ พระหัวหน้าท่านก็อาจจะแสดงธรรมให้เราฟังกันหรือบางวัดก็อาจจะให้พระฉันกันก่อนฉันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแสดงธรรมให้กับญาติโยมต่อไปถ้าเราไม่อยู่รอฟังธรรมบุญส่วนนี้เราก็จะไม่ได้แต่บุญส่วนนี้มันจะต่างกักนมันต่างกันกับบุคคลที่เราไปทำว่าท่านมีธรรมมากธรรมน้อย ท่นมีธรรมมากเราก็จะได้ธรรมมากกลับมาท่านมีธรรมน้อยเราก็จะได้มีธรรมน้อยกลับมาถ้าเราทําบุญทําทานอยากจะได้สองอย่างอยากจะได้บุญที่เกิดจากการให้คือความสุขใจอิ่มใจจากการให้แล้วยังอยากจะได้ปัญญาอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ธรรมะเพื่อทําให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เราก็ต้องไปหาทำกับผู้ที่มี มีธรรมะถ้าเราไปทำกับสุนัขไปเลี้ยงสุนัขสุนัขมันแสดงธรรมให้เราฟังไม่ได้มันไม่มีธรรมะหรือไปทำบุญกับคนยากจนเนี่ยคนพิการคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนซึ่งคนเหล่านี้เขาก็ไม่มีธรรมะมาสอนเรารเราก็จะได้เพียงบุญที่เกิดจากการให้เพียงอย่างเดียวฉะนั้นสรุปก็คือ เวลาทําบุญทำทานนี้ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกเลือกบุคคลที่เราไปทําด้วยว่าท่านมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะถ้าเราไปทํากับบุคคลที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้ธรรมะจากบุคคลเหล่านั้นถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องแสวงหาเหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราก็ต้องค้นหาดูสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ต อยากจะซื้ออะไรก็กรอกสิ่งที่เราต้องการไปแล้วทางอินเทอร์เนต็ตเขาก็จะหามาเสนอให้เราว่าต้องการจักรยานเนะจักรยานชนิดนี้มีอยู่ที่ร้านนี้ร้านนั้นราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ถ้าอยากจะได้สั่งจองได้สั่งซื้อได้ส่งมาทางไปเสนี์ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องค้นหาดู สมัยนี้ใช้อินเทอร์เนต็ตค้นหาก็ได้ลองใส่คาว่าพระสุ ป, ปฏิปนโนเข้าไปดูพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็จะมีโผลชื่อของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นที่เคารพนับถือของของบุคคลทั่วไปที่ได้มีความประพฤติ ด, ดีงามมาตั้งตลอดตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันหรือจงหรือแม้กั่ท่านอายุท่านอาจจะสิ้นไปแล้วก็ ก็ยังอาศัยธรรมะของท่านได้อยู่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะจากบุคคลที่มีธรรมะเราก็ต้องค้นหาเหมือนกับถ้าเราต้องการสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องค้นหาไม่ใช่อยู่ดีๆสิ่งเหล่านี้มันจะโผล่ขึ้นมาในใจเราต้องศึกษาต้องค้นหาพวกเราในยุคนี้ถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมาก ที่มีการสื่อสารที่คล่องแคล่วสะดวกรวดเร็วการค้นหาข้อมูลต่างๆนี้ง่ายไดย้อย่างยิ่งอย่างมากไม่เหมือนสมัยก่อนนี้ถ้าต้องการข้อมูลก็ต้องไปหาตามห้องสมุดบ้างไปตามหาตามโรงเรียนบ้างไม่เหมือนสมัยนี้เราสามารถที่จะถามผ่านทางร ะ, บ, ระบบอินเทอร์เน็ตได้เพียงแต่กรอกสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเข้าไปน แล้วคำตอบมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าคำตอบนี้อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่าไปเชื่อทันทีทันใด<ม>พระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้ยินได้ฟังอะไรมาได้รู้ได้เห็นอะไรมาอย่าเพิ่งไปเชื่อทันที<ม>แต่ก็อย่าไปปฏิเสธคือให้เราใช้ความรอบคอบเราต้องไปพิสูจน์สิ่งนั้นก่อนว่าเป็นจริงที่เขา พูดมาหรือไม่ถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกหลอกลวงได้เช่นเราอยากจะลงทุนได้เงินตอบแทนเร็วๆเขาก็จะมีบริษัท ต, ต่างๆโผล่ขึ้นมาว่าบริษัทเหล่านี้ให้การค่าตอบแทนสูงลงทุนกับบริษัทนี้แล้วจะได้ได้เงินเร็วได้รวย <Yeah. S 2> เราก็ต้องไปพิสูจน์ดูก่อนไม่ใช่เชื่อแล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มไปขับบริษัทนี้ทันที ก็อาจจะไปลองก่อนก็ได้ลองนิดๆหน่อยๆก่อนทดลองดูว่าเป็นยังไงถ้าได้กำไรจริงก็ค่อยอยเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กเทียน้อยเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้เราจะส่คำว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีชื่อพระอาจารย์ต่างๆขึ้นมาเราก็ยังต้องไปพิสูจน์อูว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงหรือไม่ท่านมีธรรมะที่จะ ทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือไม่ <Yeah. S 2> อันนี้ก็ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อยู่เหมือนกันไม่ <Yeah. S 2> ใช่พอค้นปั๊บก็บอกภ <Yeah. S 2> าพรูปนี้เป็นภาพหลุดพ้น <Yeah. S 2> เป็นภาพอารหันแล้ว <Yeah. S 2> ไปศึกษากับท่านแล้วจะบรรลุธรรมทันที <Yeah. S 2> อถ้าบรรลุธรรมก็ลองไปศึกษาดูดูซิว่าไปฟังเทศฟังธรรมของท่านแล้วทําให้เราหูตาสว่างขึ้นทําให้กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของเรานี้ หมดสิ้นไปได้หรือไม่ก่อนที่เราจะเชื่ออย่างเต็มร้อยให้เชื่อครึ่งนึงก่อนเชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์ดูเคยอย่าไปเชื่อจนกระทั่งงงงายหรือหลงไหลแล้วอาจจะกลายเป็นเหยื่อไปก็ได้ถูกหลอกลวงไปก็มีไปเชื่อในครูบาอาจารย์ที่สอนนัดทิแปลกๆใหม่ๆกันขึ้นมาซึ่งปรากฏเป็นข่าวให้เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่เรื่อย อันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่ามันตรงกับของของเดิมมธรรมะของเดิมของแท้มีอยู่ธรรมะของเดิมของแท้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเวลาเราไปศึกษากับพระรูปใดรูปหนึ่งเราก็ต้องเปรียบเทียบคำสอนของท่านว่าท่านสอนแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ ถ้าสอนไม่เหมือนกันนี่ก็ต้องเริ่ ม, มสงสัยแล้วต้องลังเลแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่สอนตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่รู้จรงิงเห็นจรงิงผู้ที่สอนให้ผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างจรงิจรงๆถ้าเราเริ่มสงสัยลังเลแล้วก็อะจะได้ไปจะได้ระมัดระวังก็ไม่ให้ไม่ได้มาเขาให้ไปศึกประมาทท่านแต่อย่างใด การไม่เชื่อนี้ไม่ได้ไม่เชื่อเพราะความศพประมาทไม่เชื่อเพราะเหตุผลเพราะความเป็นจริงความเป็นจริงคือท่านอาจจะไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้สมัยนี้คนที่มาบวชบางคนเขาก็ไม่ได้ศึกษามากนะักเขาอาศัยว่าเขาปฏิบัติของเขาเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาซึ่งอาจจะตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนให้รู้ให้เห็นก็ได้หรือไม่ตรงกันก็ได้ เห็นสิ่งที่เขารู้เขาเห็นอาจจะไม่ได้ทําให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ได้ถ้าเราไปเชื่อเขาเช่นถ้าไปรู้ไปเห็นเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาต่างๆเรื่องหูเรื่องหูทิพตาทิพดูเรื่องดวงชะตาเรื่องเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะนําให้เราไปหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่จะหลุด เรื่องที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือความทุกข์ที่มันทำให้เราละกิเลสได้ละความโลภความโกรธความหลงได้ต่างหากถ้าความรู้ที่เรารู้มาแล้วแทนที่จะให้เราละกลับทาให้เรามีกิเลสเพิ่มมากขึ้นมีความโลภเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็คือเรื่องของการ การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเวลาเราจะทําอะไร เ, ออเราอยากจะทําทานกับบุคคลต่างๆเราไม่รู้ว่าบุคคลต่างๆนีออ้อยู่ที่ไหนบ้างบุคคลที่มีธรรมะธรมโม เ, ออเราก็ต้องลองอาศัยการค้นหาอาจจะหาผ่านทางบุคคลที่เรารู้จักก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย เพื่อนญาติธรรมด้วยกันที่ไปวัดบ่อยๆไปหลายๆวัดด้วยกัน mm hmm. เขาก็จะบอกเราได้ว่าวัดนี้ดีนะวัดนั้นดีนะ mm hmm. วัดนี้เฉยๆนะ mm hmm. มันก็มีหลายระดับเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรจากวัดเหล่านั้นบางวัดก็ไม่ได้สอนเพื่อให้ไปนิพพานกันสอนให้แค่ไปสวรรค์กันให้เราได้ทําบุญทาทานกันให้เราได้รักษาศีลห้ากัน mm hmm. ไม่ได้เน้นการสอนเรื่องการภาวนาก็มี ธรรมก็มีหลายระดับบุญก็มีหลายระดับถ้าถ้าสอนให้ทําบุญทําทานรักษาศีลก็จะทําให้เราไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปแล้วถ้าเราทําทําบุญมากกว่าทําบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่ดึงใจให้เราไปสวรรค์แต่ถ้าเราทําบาปมากกว่าทําบุญบาปก็จะดึงใจให้เราไปอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรต ไปเป็นอสุรกายไปตกนรกกันได้แต่ละวัดก็มีมีธรรมะระดับต่างๆกันไม่เหมือนกัน<ม>ก็ต้องสังเกตดูว่า ว, วันนี้เขาเน้นการการสอนอะไรเป็นหลักอางวัดก็สอนเรื่องทาทานระดมทุนระดมเงินช่วยกันหาเงินหาทองเข้าวัด<ม>สร้างสถาน<ม>ถาวรและ ว, วัตถุให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โต สร้างโบสถ์ให้ใหญ่สร้างศาลาให้ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างพระพุทธรูปให้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเป็นเรื่องของการาสร้างถาวรวัตถุต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการทําทานอย่างเดียวท<ม>่านอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษาศรรรีลศีลท่านอาจจะไม่ได้พูดเลยพูดแต่เรื่องทําทานอย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องดูเพราะว่า การที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนี้มันมีนอกจากการทําทานแล้วมันยังมีการรักษาศีล mm hmm. แล้วก็ต้องมีการภาวนาอีก mm hmm. ถึงจะสามารถทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหมดสิ้นไปได้ mm hmm. ทําทานก็ดับความทุกข์ใจได้ในระดับหนึ่งระ mm hmm. ดับความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง mm hmm. ในความห่วงใยความเสียดาย คนที่ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆนี้เวลาสูญเสียเงินทองไปโดยที่ไม่ได้มีความยินดีก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แม้หน่ออาจจะถูกเขาโกงเงินกอ ง, งทองไปบ้างหรืออาจจะถูกคนขโมยมาขโมยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่คนที่เคยทำบุญอยู่เรื่อยๆทำทานอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีความยึดติดเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทาน คนที่ไม่ทําบุญทําทานนี้แสดงว่าหวงทรัพย์สมบัติของต น, น, นหวงทรัพย์สมบัติยึดติดกับทรัพย์สมบัติไม่อยากจะสูญเสียทรัพย์สมบัติของตนไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงแล้วทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทางที่มีอยู่นี้มีมากมีน้อยก็ต้องเสียไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าถูกถูกบังคับให้ทําบุญถูกถูกบังคับให้ทําทาน ถ้าทำทานด้วยการถูกบังคับนี้ไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขใจได้ความทุกข์ใจเวลาที่เราสูญเสียเงินทองที่เราไม่อยากจะสูญเสียนี่เวลาสูญเสียไปแล้วใจเราเศร้าใจเราเสียใจแต่ถ้าเวลาเราสูญเสียเงินทองไปด้วยความยินดีด้วยความตั้งใจ <sayin. S 2> ถ้าเรายินดีสูญเสียเงินทองไปแล้วลพอเราเสียเงินทองไปมันไม่เศร้ามันกลับมีความสุขใจสบายใจขึ้นมา เวลาที่เราทําบุญทําทานนี่เรากส็สูญเสียทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองของเราไปแต่เราเสียด้วยความยินดีอยากจะเสียถ้าอยากจะเสียแล้วพอเสียนี้ไม่ไม่ทุกข์ใจกับดีใจกับมีความสุขใจอิ่มใจอแต่ถ้าถูกบังคับให้เสียถูกขโมยเอาไปถูกค น, นอื่นชั่วโกงไปอย่างนี้มันก็จะไม่มีความสุขใจ หรือแม้แต่ถูกบังคับให้จ่ายภาษีอย่างนี้มันก็ไม่สุขใจเวลาเราจ่ายภาษีนี่เราไม่สุขใจเพราะเราถูกบังคับให้ใจ่ายแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญทาทานเราก็มีความสุขใจได้เวลาที่เราเสียภาษีนันอยู่ที่ใจของเราความสุขใจหรือความทุกข์ใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเงินทองนี้อยู่ที่ว่าเรายึดหรือรไม่ยึดอยู่ที่เราหวงหรือไม่หวง อยู่ที่เรามีความตนันหนีหรือไม่มีความตนันหนีถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่มีความตนันหนีเวลาสูญเสียเงินทองไปไม่ว่าในรูปแบบใดเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจเราก็เรากจะมองว่าเป็นการทำทานไปถึงแม้ขโมยมาขึ้นบ้านเอาเข้าวของไปแทนที่เราจะทุกข์ใจเราก็อาจจะว่าเอะเป็นการทำบุญทำทานสงสารเขาเขาไม่มีเครื่องใช้เหล่านี้เขาเลยก็ต้องมาขโมยของของเราไป เราก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งถ้าเอาของเก่าไปเราก็จะได้ไปซื้อของใหม่มาเพราะถ้าเราจะต้องใช้ของเหล่านี้อยู่พอของเก่าถูกขโมยไปพอเขาขโมยตู้เย็นไปเอาก็ดีเราก็จะได้ไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เครื่องใหม่มาใช้นี่คือลักษณะของคนที่ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆคนที่ยินดีที่เสียสละคนที่รู้ว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้ มันก็มีอายุไขของมันใช้ได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเวลาเราตายไปแล้วนี่เราใช้ไปไม่ได้ mm hmm. ถ้ารู้อย่างนี้แล้วพอเรามีส่วนไหนที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ mm hmm. เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเรา mm hmm. เราก็เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าดีกว่าจะต้องถูกให้มันจากเราไปโดยที่เราไม่ได้ยินดีด้วย mm hmm. เราจะไม่ได้ความสุขเราจะไม่ได้บุญ ดงนนเรามีสมบัติมากน้อยเพียงไรเวลาเราตายไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่เป็นบุญกับเราเลยนะมีเงินร้อยล้านพันล้านตายไปเงินร้อยล้านพันล้านนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นบุญในเวลาที่เราตายจากมันไปแต่ถ้าก่อนที่เราจะตายเราบริจาคไปเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นบุญในกุศลเกิดขึ้นมาในใจเราทันทีเกิดความสุขใจอิ่ใจแล้วบุญกุศลนี้มันจะติดไปกับดวงวิญญาณของเราต่อไป อันนี้ก็คือเรื่องของการทำทานทำทานเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความหวงความยึดติดในทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองทำทานเพื่อเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเพราะผลที่เกิดจากการทำทานนี้จะทำให้ใจมีปัจจัยสี่ของใจทำให้ใจมีเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องอยู่แบบขอทาน ไม่ต้องมาลอรับส่วนบุญของผู้ที่เป็นญาติของเราเวลาที่เราตายไปแล้วเวลาที่คนตายไปนี้เราเป็นห่วงคนตายกันเราก็เลยจัดงานศพกันทําบุญทําทานกันแล้วก็อุทิศบุญให้กับคนคนตายไปเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาทําบุญทําทานมากน้อยเพียงไรก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันไม่อยากจะให้เขาไปทุกข์ยากลําบาก เราก็เลยทำบุญอุทิศให้เขาไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาทำบุญทาทานเป็นปกติใส่บาตรอยู่ทุกวันทำบุญทุกชนิดมีบุญตอไหนทำหมดมีสังคทานก็ทำมีผ้าป่าก็ทำมีกระถินก็ทำทำอยู่เรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรามั่นใจได้ว่าเขาไปดีเขามีบุญติดตัวไปอย่างแน่นอนบุญที่เราส่งไปนี้สู้บุญที่เขามีของเขาไม่ได้ บุอุทิศนี้เราไม่สามารถอุทิศบุญทั้งหมดไปให้กับคนตายได้แบ่งไปได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ท่านบอกจะอยู่กับอยู่กับคนให้คนคนทำคนที่ดวงวิญญาณนี้จะได้รับเป็นส่วนส่วนน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเท่านั้นเ อ, ง, ง, นนเอ ง, งนี่ก็คือวิธีการทําบุญทําทานทําได้ ทำแล้วเพื่อที่จะทำให้เรานี้มีความสุขใจอิ่มใจมีบุญที่จะพาให้เราได้ไปเกิดที่ที่ดีต่อไปแล้วหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเรายังไม่ได้ดุดพน้นเราก็จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่เงินทองทั้งหมดที่เราบริจาคไปในชาตินี้มันจะรอเราอยู่ในชาติหน้าบวกกับดอกเบี้ยด้วย เช่นเราบริจากทรัพย์ไปร้อยล้านเนี่ยชาติน้ากลับมาเราก็จะมีร้อยล้านบวกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยเราก็นั่งฟังกันไปเรื่อยๆก่อนถ้าไม่เหลือร้อนก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันหนักมากอยากอยากขยับขยายก็เชิญได้นี่คื อ, คอการการเอาความทุกข์ออกไปจากใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเรื่องของเงินทอง ถ้าของเงินทองนี้ถ้ามันเป็นของเรานี่มันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เรากังวลทำให้เราห่วงใยทำให้เราเสียดายเวลาที่เราต้องสูญเสียมันไปแต่ถ้าเราไปทำบุญได้แล้วนี่มันก็จะหมดห่วงหมดกังวลความทุกข์ใจที่มีอยู่กับเงินทองก้อนนี้ก็หมดไปแต่ถ้ายังเก็บเอาไว้อยู่ก็ต้องก็ต้องคอยดูแลรักษาก็ต้องมีความกังวล ว่ามันจะอยู่กับเราหรือไม่หรือจะถูกใครขโมยไปหรือถูกใครเขาโกงไปก็ได้แต่พอเราบริจาคไปแล้วให้ไปแล้วอความทุกข์ใจเกี่ยวกับเงินก้อ น, นี้ก็หมดไปออันนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการดับความทุกข์ใจในขั้นของฐานซึ่งเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติของการดับความทุกข์ใจของการลอยลอยลอยกิเลสออกไปจากใจใ ในวันนี้เป็นลอยวันร้อยกระทงกันเราไปร้อยกิเลสกันเดย้อนเงินไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆที่เราเห็นว่าเขาต้องการเขาเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือกับเขา <Choose. S 1> จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้วัดวารามก็ได้ให้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้สัตว์จรจัดก็ได้ให้กับคนพิ ก, พการคนแก่ค น, super, คนเฒ่าคนที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเขาเองได <in> ้ his? เอาไปรอยกันรอยความหวงรอยความโลภอยากจะได้เงินได้ทองแทนที่อยากจะได้วันนี้เราอยากจะให้กันเวลาให้แล้วจะมีความสุขเวลาเราอยากให้เวลาอยากได้แล้วเวลาไม่ได้จะทำให้ทุกข์ใจแล้วก็ <c oughs> เวลาอยากได้แล้วก็ไม่อยากจะเสีย <c oughs> เงินทองที่มีอยู่ถ้าเกิดสูญเสียไปถูกขโมยไปถูกใครเขาโกงไปก็จะเสียอกเสียใจ <c oughs> จะวุ่นวายต้องไปฟ้องร้องกัน <c oughs> เวลาถูกเขาโกงทีนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาทางทางข่าวต้องไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาทนายอะไรกันมา <c oughs> เพื่อที่จะเรียกร้องเอาเงินคืนกันแต่ <c oughs> ถ้าเป็นคนคิดว่าค น, คนที่ชอบทําบุญก็ ค, คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปมันไปแล้วก็ให้มันไปอ้อยเข้าปากช้างแล้วมันนะกลับมายากอย่าไปหวังในสิ่งที่ถูกเขาขโมยไปแล้วโกงไปแล้วมันจะกลับมาหาเรายอม คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปแล้วเราจะได้บุญได้ความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเรายังมีความโลภยังมีความหวงยังมีความอยากได้คืนอยู่มันก็จะทําให้เราทุกข์ใจไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เงินก้อนนั้นคืนมาแล้วถ้าเราไม่ได้เงินก้อนนั้นคืนมามันก็จะทุกข์ใจไปจนวันตายจนกว่ามันจะลืมอันนี้คือเรื่องของทานเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินไป การมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองว่าเกินไปแทนที่จะมีประโยชน์กับใจกับมีโทษกับใจเพราะมันจะเป็นภาระกดดันให้ใจจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็เวลาที่เกิดสูญเสียไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาได้ยังงั้นอย่าไปมีสิ่งที่มันไม่จําเป็นจะต้องมีเอาไปทําบุญเสียเปลี่ยนมาเป็นบุญบุญนี้ไม่มีโทษกับจิตใจมีแต่คนมีประโยชน์มีมากยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ความทุกข์ที่เกิดจากการมีบุญนี่ไม่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการมีทรัพย์นี่มียังมีมากยิ่งมีความทุกข์มาก uh huh. อย่าไปคิดว่ามาหาเศรษฐีนี่เขาไม่มีความทุกข์ใจเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขทางกายมีเงินทองสามารถซื้ออะไรต่างๆตามที่ร่างกายต้องการได้หรือตามที่กิเลสตัาหาต้องการได้แต่ความ mm hmm. ความสุขทางใจนี้เขาจะไม่มีเขาจะมีแต่ความทุกข์ทางใจ ที่คอยต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาเงินทองแล้วเวลาที่เขาตายไปนะ่ะเวลานั้นนะเขาจะทุกข์มากกว่าคนจนคนขอทานนี่ตายอย่างสงบตายอย่างสบายเพราะไม่มีอะไรจะต้องกังวลไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียแต่คนมหาเป็นมหาเศรษฐีนี่ตายตา ย, ตายแบบทุกข์ตายเพราะความเสียดายเข้าของเงินทองทรัพสมบัติต่างๆที่มีอยู่ว่าไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว ถ้ายังรักยังหวงอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาความเสียดายแต่ถ้าเป็นขอทานนี่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไมต้องหวงต้องหวงเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไร ย, ยึดมันไม่มีอะไร ย, ยึดจะติดมันก็เลยไม่ไม่ทุกข์กันตายอย่างสบายตายอย่างสบายใจพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราอยู่แบบขอทานกันพ ร, พระที่มาบวชนี่ก็สอนให้อยู่เป็นขอทานกัน อาหารก็ให้ไปขอเขากินเงินบินาบาตในแต่ละวันให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ไม่ให้สะสมอาหารที่ได้มากินนวันต่อวันหาอาหารวันนี้ได้มาเท่าไหร่พอพอกินเสร็จแล้วถ้ามีเหลือก็บริจาคไปให้ทานไปให้คนอื่นไปไม่ให้สะสมไม่ให้เก็บเอาไว้เพราะเวลาสะสมเก็บอาหารไว้มันก็ต้องมาทุกกับการดูแลรักษาอาหารที่เราสะสมไว้อีกต้องหาที่เก็บอีกสร้างโกดังสร้างที่เก็บอีก แล้วเดี๋ยวก็มีมีหนูมีอะไรมากัดมาแทะมาสร้างปัญหาให้สร้างความวุ่นวายใจให้กับสมบัติที่เรามีอยู่เพาั้นพระเจ้าสอนให้พระเนี่ยที่เป็นหัวหอกของชาวพุทธศาสนานี้ให้อยู่แบบขอทานเพื่อจะได้ลดละตัดปัญหาเรื่องของความทุกข์เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเกี่ยวกับปัจจัยสีอาหารก็หามาตามตามมีตามเกิดบินตบาบัดได้อะไรมาก็กินมันไป เมื่อกินหย่บแล้วที่เหลืออยู่ก็บอยจากไปให้ทานไปเครื่องนุ่งห่มก็ให้ไปเก็บผ้าที่เขาห่อศพผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าชาไม่ต้องเสียสตังค์ผ้าห่อศพนี้ไม่มีไม่มีใครขายไม่มีใครอยากซื้อไม่มีใครอยากได้อทิ้งเกือนในป่าชาสมัยก่อนนักบวชก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรกัน ที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามโคนไม้ไม่ต้องไปสร้างบ้านไม่ต้องสร้างกุฏิสร้างอาคารอะไรต่างๆเพราะต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามร่มไม้นี่ก็หลบแดดหลบฝนได้ก็พอถ้าเวลาฝนตกก็อาจจะทำเพิงกันฝนทำเพิงจากกิ่งไม้ใบไม้ที่ตกหล่นอยู่นี้ก็สามารถทำมีที่อยู่อาศัยได้ ดูส่วนยารักษาโรค ก, ก็ให้ใช้ยาดองปัสสาวะของตนเองไปเอาพวกสมอมาแล้วก็เอาปัสสาวะดองมันพอพอดองได้สักระยะหนึ่งนะ้ําปัสสาวะก็จะกลายเป็นนะกลายกลายเป็นยาดองไปเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเ อ, อเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เขาก็ใช้ยาดองรักษากันไปหายก็หายไม่หายก็ก็ต้องอยู่กับมันไปก็ต้องถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายไปถ้า ถ้าดื่มมันแล้ ร, รักษาให้โรคหายไปได้ก็ก็ถือว่าเป็นโรคที่ยังรักษาได้อยู่แต่ถ้าดื่มยาดองแล้วมันไม่รักษาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เ <c oughs> มื่อรักษาไม่ได้จะทําไงก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่าจะตายจากกันไปสมัยก่อนท่านอยู่กันแบบง่ายๆไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่มากายเหมือนสมัยนี้ ทำไมนี้บางทีจะกินอาหารแต่ละมือนี่โอ้นั่นคิดนั่นคิดอยู่นั้นว่าจะไปกินที่ไหนดีไอ้นี่ก็เบื่อไอ้นั่นก็เบื่ออยากจะกินในนู่นอยากจะกินในนี่กันบางทีต้องขับรถเดินทางกันไปไกลเพื่อที่จะไปกินอาหารที่อยากจะกินบางคนถ้ายิ่งมีเงินมากบางทีต้องบินไปอาหารในเมืองไทยไม่มีอาหารที่กินแล้วถูกใจเอ่งใจอาจจะต้องบินไปนู่นต่างประเทศบินไปเพื่อกินท่านั้นเองแต่แล้วก็บินกลับมา พอกลับมาความสุขที่ได้อยากกินอาหารนั้นมันก็หมดไปแล้วช่วยกินเพื่ออยู่ดีกว่าอย่าไปอยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินแล้วมันวุ่นวายเพราะมันอยู่ด้วยกิเลสความอยากอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่เราถึงพระเจ้าถึงสอนให้เราอยู่กันแบบนักน้อยสันโดษ ด, ดีที่สุดอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนอยู่อย่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินความจาเป็น สิ่งที่มีความจะเป็นต้องมีก็มีได้มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีอาหารไว้รับประทานมีที่อยู่อาศัยไม่หลบแดดหลบฝนมียารักษาโรค ก, <ม>ก็มีตามกำลังของเราตามตามฐานะของเราฐ<ม>านะของเราแต่ละคนมันก็ไม่ไม่เท่ากันบ้านช่องราคาก็เลยต่างกันเสื้อผ้ า, อาพรก็ต่างกันอาหารราคาก็ต่างกันไป แต่มันก็ทําหน้าที่เหมือนกันอยู่ดีก็คือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ใจเราถ้าไม่มีทรัพย์มากเกินไปไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีความกังวลพอเรามีทรัพย์มากเกินไปนี่ส่วนเกินนี่มันจะทําให้เรากังวลนะจะทํำยังไงดีจะเก็บรักษาไว้อย่างไงดีถึงแม้จะเก็บรักษาไม่ได้ตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีหรือบางทีเก็บรักษาไม่ได้ถูกเขาหลอกไปก็มี ถูกเขาโกงไปก็มีถูกเขาขโมยไปก็มีพ อ, อสูญเสียไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายใจงั้นอย่าถ้าจะมีทรัพย์เหล่า น, นี้แล้วอย่าไปวุ่นวายใจกับมันต้องมีแบบปล่อยวางแบบว่ามันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเมื่อเราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันนะเราก็อาจจะยังเสียดายอยู่ยังไม่อยากจะไปทำบุญก็เก็บไว้เฉยๆอย่าไปทุกข์กับมัน แต่ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆยังเสียดายอยู่ก็แสดงว่าเรายังยังทุกข์กับมันอยู่เรายังไม่อยากให้มันจากเราไปพอถึงเวลาที่เราต้องจากกับจากมันไปจริงๆใช่เวลาที่เราตายเนี่ย<ม>เราก็จะเสียใจเสียดายดัง<ม>นีน้พออยู่พอกินก็พอ<ม>เสรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงพออยู่พอกินได้ไม่เดือดร้อนเราก็อย่าไปเอาทรัพย์สมบัติมาให้หนักหัวใจเราเปล่าๆมาสร้างความทุกข์ใจ บางคนมีเหลือกินเหลือใช้แล้วยังไม่พ อ, อยังก็ต้องไปดิ่นนนหามาอีกหาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาหาไปทําไปทํามาก็อาจจะต้องไปทําบาปกันแต่ที่หาด้วยวิธีที่ซื่อสัตย์สุจริตก็กลับไปทําบาปเพราะหาแบบซื่อสัตย์สุจริตมันหาไม่ได้มันยากสู้โกงไม่ได้โกงมันง่ายกว่าช่อโกงหลอกลวงรักทรัพย์ของผู้อื่นนี้มันง่ายกว่า การที่ทําหารกินแบบซื่อสัตย์สุจริตนี่ยอันนี้ถ้าอั น, นอย่างนี้ก็จะทําทให้การรักษาศีลนี้เป็นไปไม่ได้ถ้ายังทําบุญทําทานไม่ได้นี้การไปรักษาศีลนี้จะยากแต่คนที่ทําบุญทําทานได้แล้วนี้จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าเพราะคนที่ทําบุญทําทานนี้จะไม่มีความโลภอยากได้เงินมากเกินไปพออยู่พอกินก็พอ เขาก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพิ่มด้วยวิธีที่ทําบาป mm hmm. เขาก็จะไม่รักทรัพย์จะไม่ชอบโกงไม่หลอกลวง mm hmm. ก็จะทําทให้เขาสามารถรักษาศินได้ mm hmm. การรักษาศินได้ก็จะมาทําให้เราลดความโลภความโกรธความโงที่มีอยู่ในใจให้เราน้อยลงไปนั่นเอง mm hmm. เวลาเรามีความโลภความโกรธความหโงขึ้นมาทีไรมันจะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราทันที แต่ถ้าเรามีศีลเราก็จะคอยระ ง, งับความโลภความโกรธที่เกิดจากการอยากทำบาปได้อยากจะรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทำไม่ได้อยากไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็ทำไม่ได้อยากจะดืม่มชวายาเมาก็ดื่มไม่ได้อยากโกหกหลอกลวงก็ทำไม่ได้อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้มันก็เลยทำให้กิเลสความโลภความอยากในการทำบาปนี้มันลดน้อยลงไปได้ พอมันน้อยลงความทุกข์ที่เกิดจากการทํำบาปมันก็จะน้อยตามลงไปทังเกตดูเวลาเราทํำบาปนี่ใครทุกข์ใจเรานี่นหะทุกข์ใจเราเกิดความร้อนใจขึ้นมาทันทีเกิดความวุ่นวายใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมากลัวจะถูกจับไปลงโทษ น, นั่นเองเวลาเราเราทำผิดกฎหมายนี่เราใจเราจะรู้สึกไม่สบายใจนะ้ เราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะตามมาจับเราเมื่อไหร่<ม>พอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมาเราก็ตกใจกันะทั้งๆที่บางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราได้ไปทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ใจของเรามันเป็นเหมือนวัวสันนิษังนว่ามีแผลอยู่ในใจพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็คิดว่าเขาจะมาจับเราแล้ว<ม>กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลแต่ถ้าเรารักษาศี่งได้แล้วเราจะสบายใจ เราจะมีความมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาจับเราไปลงโทษได้ทั้งทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งที่พวกที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราไปทำร้ายเขาพวกพี่น้องเขาหรือตัวเขาเองเขาก็ต้องมาจองเวรจองกรรมกับเราเขาก็ต้องมาคอยล้างแคนกันแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะไม่มาทาร้ายเราอนี่ก็คือการรักษาศีลจะจะตามมาหลังจากที่เราสามารถที่เราสามารถที่จะ ทำบุญทำทานได้แนละ้วเมื่อเราทำบุญทำทานได้แล้วเราจะมีความเมตตามีความปรารถนาดีไม่มีความคิดอยากจะเบียดเบียนใครไม่มีความคิดอยากจะไปทําให้ผู้อื่นเาเดือดร้อนเสียหายก็เลยทําให้เรามีศีลขึ้นมาได้อย่างง่ายได้พอจะไปทําอะไรที่เกิดให้เขาเสียหายหเดือดร้อนเราก็ไม่ทําพอจะไปฆ่าเราก็ไม่ทําไปรักทรัพย์เราก็ไม่ทําไปบระพฤติผิด ป, ประเพณีเราก็จะไม่ทำํำไปโกหกหลอกลวงเราก็จะไม่ทํา เราก็จะมีสีลตามมา ท, าทันทีอันนี้ประโยชน์ของการทำทำทำตามขั้นตอนที่พระเจ้าสอนขั้นแรกทำบุญทาทานให้ได้ก่อนทำให้ใจมีความเมตตาทำให้ใจไม่ยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเมื่อทำได้แล้วมันจะทำให้ใจมีความเมตตากรุณามีความามีความโลภน้อยลงมีความอยากน้อยลงก็จะทำให้การรักษาสนีนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อมีศีลแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่มีศีลคนที่มีไม่มีศีลนี่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆพอรักษาศีลได้ไม่มีใจก็ไม่วุ่นวายไว้ฝึกสมาธิไปฝึกภาวนาก็จะทําได้ง่ายเพราะการฝึกภาวนาก็เพื่อทําใจให้สงบไม่ให้ใจวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนของการลอยกิเลสให้ออกไปจากใจของพวกเรานะ ขั้นตอนแรกก็ให้เราทำทำทานทำทานตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปถ้าไม่มีเลยเราก็ยังสามารถทำทานด้วยด้วยการบริจาคเวลาของเราบริจาคความรู้ความสามารถของเราเรามีวิชาความรู้เอาไปสอนคนอื่นไม่คิดเงินคิดทองเขาเราก็ได้ทำทานเหมือนกันหรือเรามีเวลาว่างเราไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาทาคุณทาประโยชน์ให้กับสาธารณะ อันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานเมื่อทำบุญทำทานแล้วใจก็จะมีความเมตตามีความซื่อสัตย์สุจริตตามมาก็จะรักษาศีลได้มอรักษาศีลได้ใจก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายที่จะมาสร้างที่จะมาเป็นปัญหาในการเวลาที่เรามาภาวนาการภาวนาก็เพื่อหยุดหยุดความคิดหยุดหยุดความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองพอเราไม่มีความวุ่นวายจากศีล จากการทําบาปแล้วเพราะเรามีศีลคุ้มครองการภาวนานก็จะง่ายนั่งสมาธิมไม่นานจิตก็สงบได้พอจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขใจแล้วจิตก็จะเริ่มเห็นเห็นมีดวงตาเห็นธรรมม า, าสิ่งที่มาทำให้ใจเราทุกความวุ่นวายใจก็คือกิเลสตัณหานี่พอจากสมาธิมาตอนที่อยู่ในสมาธิกิเลสตัณหาก็สงบตัวเรา ออกจากสมาธิมากิเลสตหาก็าออกมาแสดงบทบาทสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเราก็ใช้ปัญญามันหยุดมันได้ปัญญาพระเจ้าคือสอนให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันมันของไม่เทีย่ยมเปนของที่เราเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของเราไปไม่ได้ตลอดอยากได้เงินได้ทองมันไม่แน่นอนเวลาอยากแล้วก็ต้องดินน้นรนต้องไปหามา บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาก็ต้องมาห่วงมาห่วงมันอีกแล้วก็เรามาทุกในภายหลังเวลาจะต้องพัดภาคจากมันไปอีกโดยสรุปแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสต้องการอยากได้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนทุกข์เพราะามันไม่ได้เป็นของของเราที่เราจะเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ไปตลอดพอ อ, อย่างนี้แล้วเราก็จะตัดกิเลสความโน้มความโกดความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้เลย พอไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเราความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภโกรธหลงก็หายไปหมดใจก็สงบใจก็มีแต่ปรามังสุขถังมีแต่ความสุขตลอดเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างอย่างสิ้นเชิงยังไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปนี่แหละวิธีที่เราจะลอยความทุกข์ให้ออกจากชีวิตของเราต้องลอยด้วยกระทงที่พระเจ้าสอนให้เราลอยก็คือลอยด้วยการภาวด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา อย่าไปลอยกระทงด้วยดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนนี้ไม่ใช่ตัวที่เป็นความทุกข์ในใจเราตัวที่เป็นความทุกข์ในใจเราก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้ลอยันไปใส่ไปในกระทงที่พระเจ้าสร้างให้สร้างให้พวกเราใส่กันก็คือทานศีลภาวนานี่ก็คือเรื่องของการลอยกระทงแ ล, ลอยกิเลส ท, ที่เอามาฝากท่านในวันนี้อยากคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารีวะหาปุราปิริปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอิชิต e ังปฏิตังต um ุมหังคิดว่ามวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสะนิจจางวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง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 ผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 344 YouTube พระอาจารย์สุชาติ369 YouTube Dr. V 50วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 9ผู้รับฟังหน้ากุธติ95รวม875ท่านเจ้าคะ่ะ mm hmm. คำถามจากผู้ฝากถามเจ้าคะ่ะ ถ้านั่งสมาธิแล้วสงบจริงๆจะไม่เจออะไรไม่หลุดไปไหนไม่ปรุงแต่งจะมีแต่ความว่างถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วก็มีความสุขเนืความสุขมากๆความสุขที่หน้ามหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งจะทำให้เราไม่อยากจะหาความสุขแบบอื่นอีกต่อไปถ้าขอพรกับพระพุทธเจ้าได้หนึ่งอย่างแล้วโยมขอพร น, นั้นคือขอให้มีสติ มีปัญญามีสมาธิให้บรรลุถึงพระนิพพานในชาตินี้อย่างนี้ถือเป็นาการขอพรหนึ่งอย่างหรือไม่เจ้าคะขอไม่ได้ขอพวกนี้พระเจ้าสอนให้เราทำเงินต้องทำถึงจะได้ อ, อยากจะได้ศีลก็รักษาศีลไปอยากจะได้สมาธิก็ฝึกสมาธิไปอยากจะได้ปัญญาก็ต้องศึกษาธรรมะไปมไม่ใช่ขอแล้วมันจะมาหาเราเองไป็ไปไม่ได้ โยมเพิ่งฝึกเดินจงกรมได้ไม่นานเจ้าคะ่ะมีบางครั้งที่ขณะเดินจงกรมรู้สึกง่วงเป็นเพราะอะไรและจะต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการกินอาหารมากเกินไปถ้าเป็นคลราวาสกินแบบคลาราว่านี่มันจะทำให้ง่วงได้กินวันละสามมือถ้าอยากจะปฏิบัติทำไม่ง่วงก็ต้องกินวันละมือหรือสองมือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วคือถือศีลแปดกัน บุญกับกุศลมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะบุญก็คือผลที่เกิดจากการทําทานหรือรักษาศีลหรือภาวนาผลก็คือความสุขใจอิ่มใจคือบุญ ก, กุศลก็คือความฉลาดคิดไปในทางที่เป็นปัญญาเรียกควาเรียกกุศลคิดด้วยเหตุด้วยผลการทําบุญกรถิ่นมีอา น, นิสงส์สูงสุด ถือเป็นบุญใหญ่เพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียวความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่คะที่มันใหญ่เพราะทำมากใหญ่หรือไม่ใหญ่มันอยู่ที่ทำมากทำน้อยนี้พอดีกระินนี้ทำได้ปีละครั้งเขาก็เลยอยากจะทำให้มันยิ่งใหญ่ก็เลยทำกันมากๆมีข้าวของเองินทองเอามาร่วมบริจาค ก, กันมันก็เลยกลายเป็นบุญใหญ่ขึ้นมาแต่บุญใหญ่บุญเล็กนี้มันอยู่ที่การบริจาคของเรา บริจาคน้อย บ, บุญมันก็น้อยบริจาคมากบุญก็มากกราบขอแนวทางในเรื่องของการเลือกงานว่าเราควรทำงานแบบไหนเจ้าค่ะออทำงานแบบที่พระเจ้าใช้ทางานกรรมฐานคืองานภาวนาอันนี้เป็นงานที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เจอกับความสุขกันยิ่งใหญ่ ไม่มีคำถามมีใครอยากจะถามไหมข้ามาเอาไมโครโฟนไปต้องพูดดังๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนกรานั้นมาสรการลงพวษเจ้าค่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินขออภัยด้วยตอนนี้ถามไม่ได้เดี๋ยวรอยฝนมันเบาก่อนอคิดว่าฝนคงจะตกนาน ก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ไม่สะดวกก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนีพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ